พวกเราที่มาวัดนี้เข้ามาหาพระพุทธศาสนาเป็นพวกที่มาหาของจริงของจริงนี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาคือทรัพย์สมบัติหรือความสุขที่เป็นของแท้จริงนี่อยู่ในพระพุทธศาสนาถ้าเราไปหาลาบยศสารเสริญ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 ความสุขทางตาหูจมูนกนิ้งกายเป็นของปลอมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลามันเสื่อมเวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญเสื่อมความสุขทางตาหูจมูนกนิ้งกายบางคนยังถึงอยากจะฆ่าตัวตายนั่นแหละเรียกว่าของปลอมความสุขปลอมสมบัติปลอม ตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเงินทองมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเอาไปไม่ได้เลยยังเรียกว่าเป็นของปลอมเป็นของชั่วกราวเป็นของที่พลิกเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ตลอดเวลาเวลาใดที่เราไม่สามารถหามันได้หรือเสียมันไปเวลานั้นมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่คือการหาของปลอมกันหาความสุขปลอมถ้าเป็นไก่ก็ไก่ไก่ที่ได้พลอยแต่เขลี่พลอยทิ้งไปเอาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนไก่มันชอบกินหนอนกินไส้เดือนแต่มันกินได้แล้วมันก็ต้องหามาเรื่อยๆ ถ้ามันได้พลอยเม็ดหนึ่งนี่มันอาจจะไม่ต้องหาไส้เดือนไปจนวันตายเอาพลอยไปซื้อไปแลกไส้เดือนได้ตลอดชีวิตสิ่งที่พระพุทธศาสนามอบให้กับเรานี่เป็นความสุขแท้จริงเป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นเหมือนเพชรพลอยที่จะอยู่คู่กับเราเป็นของเราไปตลอด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 ใจเป็นผู้ใช้กระแสความคิดนี้ส่งเข้ามากระตุ้นประสาทร่างกายนี้มีสมองไว้รับคำสั่งจากใจอีกที่นึงใจสั่งให้ยกแขนยกข า, าให้หายใจเข้าหายใจออกให้ทำอะไรต่างๆใจเป็นผู้สั่ง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 หาความสุขทางร่างกายได้ก็มีแต่ความทุกข์อยู่บ้านก็อิอดอัดเคียดนำคาดใจว้าเวเศร้าสร้อยหงอยเหงาเขเรียกว่าโรคซึมเศร้าเป็นมากๆก็อยากจะข่าตัวตายเพราะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เพราะตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดี จะบกพริ้นกายก็ไม่ดีเนี่ยเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นทรัพย์ปลอมพอร่างกายตายไปสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่นี่ก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ร่างกายก็เป็นของปลอมร่างกายก็เอาไปคืนเจ้าของเดิม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 นี่คือร่างกายมาจากธาตุสี่ดินน้านมไฟไม่มีตัวไม่มีตน ต, ตัวตนนี่อยู่ที่ใจใจเป็นคนมายึดประติดแล้วก็มาเคลมมาเรียกว่าเป็นตัวเราเหมือนซื้อรถมาแล้วก็เรียกว่านี่รถของเรานี่เราไปซื้อร่างกายจากพ่อแม่มาเวลาแม่พ่อแม่เขาตั้งท้อง พ่อแม่เขผลิตร่างกายเราก็ไปจับจองไหมพอดีเรากําลังหาร่างกายอันใหม่ ร, ร่างกายเข อ, อันเก่าของเราตายไปแล้วเราก็เลยล่อนมาหาร่างกายอันใหม่ก่อนจะมาถึงร่างกายอันใหม่ก็อาจจะต้องแวะไปใช้ใช้หนี้หรือไปรับรางวัลถ้าทำบุญก็ไปรับรางวัล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 ก่อนจะมาได้ร่างกายของมนุษย์ต้องไปได้ร่างกายของเดรัจฉานก่อนเพราะไปทำบาปกว่าบาปก็คือการฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดตัเวเอนี่โกหกหลอกลวงอันนี้เป็นบาปทำแล้วเป็นหนี้เหมือนกับทำผิดกฎหมาย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 ก็มากับจับจองเอาไว้ mm. ก็เลยแม่เลยตั้งคันขึ้นมา mm. การตั้งคันของแม่ไดาเน้ต้องมีสมส่วนมีส่วนของพ่อส่วนของแม่แล้วก็มีส่วนของเราคือดวงวิญญาณของเรามามาพร้อมกัน mm. ก็จะเกิดเป็ น, ปนก็จะมีจุดติ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 หัดเดินหัดนั่งหัดนอนหัดกินหัดเดื่มมันก็หัดขับรถหัดไปเรื่อยๆพอเตอิบโตขึ้นมาก็ก็ชำนาญขึ้นเก่งขึ้นพอโ ต, โตเต็มที่แล้วก็เราก็ทําอะไรของเราเองได้ไม่ต้องอาศัยพ่อสายแม่ก็ถึงเรียกว่ายิ่งโตยิ่งดือ้อ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 ให้ขยันทำมาหากินหาเงินหาทองพ่อแม่ก็มีความรู้แค่นี้มีนิสัยแค่นี้เองแต่คนที่มีนิสัยที่จะเข้าวัดจะรักษาศีลจะบวชนี่เป็นถือว่าเป็นพวกที่พวกที่เรียกว่าเหมือนกับอัจฉริยะอัจฉริยะทางจิตใจคนที่ชอบทำบุญคนที่ชอบรักษาศีล คนที่ชอบภาวนาเนี่ยเป็นจิตอัจริยะหรือจิตอริยะก็ได้เป็นพวกอริยบุคคล <Yeah. S 1> ก็ถึงเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรเป็นลูกที่เก่งกว่าที่ดีกว่าพ่อกับแม่ <Yeah. S 1> พ่อของพระพุทธเจ้านี่ <Yeah. S 1> ก็สอนให้ลูกเป็นมหาจากักรพรรดิแต่ลูกบอกว่าไม่ดีเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่า ก็อะไรเนี่ยดื้อก็ดื้อเหมือนกันแต่ดื้อไม่ดื้อไปในทางที่ดีอันนี้เรียกว่าดื้อไปในทางที่ดีถ้าไม่ดื้อก็ไม่ได้ดีเด็กดื้อบางคนก็อย่าไปว่าเขาเขาดื้อไปในทางที่ดีแค่ก็ดื้อไปแต่น้อยเด็กส่วนใหญ่มดื้อไปในทางที่ไม่ดีกันให้ไปเรียนหนังสือก็ไม่อยากเรียนหนีโรงเรียน ให้ไปทำงานก็ไม่อยากจะทำไปเที่ยวให้รักษาศีลก็ไม่รักษาศีลไม่ให้ให้ละเว้วเวนจากกบายามุกก็ไม่ละพ่อแม่ถึงปวดหัวกับลูกแบบนี้ลูกเดือแล้วก็ก้าวลาวพอพ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็โกรธก็ก้าวลาวใส่พ่อใส่แม่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 ที่เขาทาจนติดเป็นนิสัยเขาเรียกว่ากรรมมีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าพวกทากรรมดีก็เป็นพวกเผ่าพันธ์ดีพวกที่ทำชั่วก็พวกเผ่าพันธ์ชั่วมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาอาศัยการกระทําของเขานี่แหละเป็นที่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 ตัวเราเนี่ยที่จะเอาสมบัติที่แท้จริงไปได้เอาความสุขที่แท้จริงไปได้สมบัติปลอมนี้เราเอาไปไม่ได้ความสุขปลอมนี้เอาไปไม่ได้พอ ร, ร่างกายนี้ตายแล้วก็ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้ความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์กันมาสมบัติที่หามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้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 บุญอุทิศนี้ก็เป็นบุญที่เราไม่สามารถให้ได้มากเหมือนเงินเงินที่เราให้ขอทานที่เราไม่สามารถให้มากได้เพราะเรารู้ว่าให้มากเขาก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็ใช้หมดก็ต้องค่อยๆให้ให้เขามีกินมีอยู่พวกที่มีซร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 ก็ทำบาปมันง่ายที่สุดทำผิดกฎหมายช่อราดบังหลวงอันนี้มันง่ายพอมีตำหนัแล้วก็เรียกใต้โต๊ะได้ถ้าไม่ให้ใต้โต๊ะก็ไม่เซ็นทะอย่างคนที่เขาต้องให้เซ็นก็ต้องยอมจ่ายใต้โต๊ะนี่เป็น โทษของการเที่ยวของการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแล้วทำให้ใจเราเครียดเวลาที่เราไม่มีเงินใช้แล้วทาให้เราต้องไปทาบาปในการหาเงินมาใช้แต่ถ้าเราเอาเงินมาทำบุญนี้เราจะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวเวลาไม่มีเงินเที่ยวเราก็อยู่บ้านพักผ่อนสบายกว่า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 เราตายไปความสุขนี้ก็จะส่งเราไปสวรรค์พราะคำว่าสุขก็คือสวรรค์นี่ถ้าเที่ยวก็จะทุกเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะส่งเราไปอบายนี่คือเรื่องของความสุขแท้ความสุขปลอมสมบัติแท้สมบัติปลอม ถ้าเราไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายนี้เรากำลังหาของปลอมกันของที่จะต้องมีวันหมดของที่จะต้องมีวันจากกันของต่างๆที่เรามีอยู่ในนี้ในโลกนี้ตอนนี้ต่อไปเราจะต้องเสียมันไปหมดเวลาร่างกายนี้ตายไปนี่ทุกอย่างที่ได้มากับร่างกายนี้ก็หมดไป เงินทองข้าวของสามีภรรยาบุตรธิดาเกียรติยศตำแหน่งอะไรต่างๆหมดหายไปหมดสิ่งที่เอาไปได้ก็นี่แหละของบุญแท้ความสุขแท้เงินทรัพย์สมบัติแท้ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้หาไว้ก็ไม่มีติดตัวไปความสุขแท้สมบัติแท้ก็คือเนี่ย สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราทำกันเนี้เป็นการหาความสุขแท้หาสมบัติแท้ให้ทาบุญเพื่อจะได้มีสมบัติติดตัวไปมีเงินทองติดตัวไปให้รักษาศีลจะได้สมบัติแท้ไปสมบัติอะไรก็คือได้เป็นเทพเป็นพระอริยะเจ้าได้ถ้าไม่้าไม่รักษาศีลก็ไป ไปเป็นขอทานไปตกนรกไปติดคุกติดตารางไม่มีสมบัติติดตัวไปมีแต่นี่ติดตัวไปเวลาทํำบาปนี่เหมือนกับไปก่อหนี้พอตายไปแล้วก็ต้องไปใช้นี่ในบายเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ให้เข้ามาฆ่าแทนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ก็กลับไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เข้ามาฆ่า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 แล้วถ้าภาวนาได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาลงหาความเปาะหาของปลอมอยู่เรื่อยๆหาอาริยทรัพย์การภาวนานี่เป็นการหาอาริยทรัพย์ทรัพย์ของผู้ที่ประเสริฐทรัพย์ของผู้ที่ฉลาดผู้ที่รู้ว่าอะไรคือทรัพย์แท้อะไรคือทรัพย์ปลอม คือพระอริยบุคคลพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่ท่านเป็นผู้ที่รู้ว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงนั้นคืออะไรทรัพย์สมบัติที่แท้จริงก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการระงับดับความอยากต่างๆความอยากนี่แหละเป็นตัวที่กวนใจเป็นกัวที่ทำให้ใจไม่สงบ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 ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสท่านก็นตัดไปความอยากได้ลาบยศสรรเสริญก็ตัดไปมาบวชเป็นพระเนี่ยเป็นพวกที่เป็นพวกพระจะไปเป็นพระอริยะกันตัดการหาความสุขปลอมหาสมบัติปลอมไม่หาลาบยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแต่จะมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบ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 พอไม่ได้กินเล้ากินกาแฟไม่ได้สูบบุหรี่มันหงุดหงิดมันรำคาญใจคนที่ติดลูกเสียงกินรถจึงมาอยู่วัดไม่ได้มาปีกวิเวกมาทำใจให้สงบไม่ได้มาละความอยากไม่ได้ต้องฝืนต้องบังคับถึงจะทำได้ถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราติดอยู่นี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับใจของเราราบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกริงกายนี้มันเป็นภัยกับใจเพราะมันเป็นวิญญาเสพติดเราจะต้องเศษมันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายนี้ตายไปก็จะต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เพื่อจะได้มาเสษใหม่มาหาราบยศสารเสริญสุขกันใหม่ถ้าเราตัดได้ไม่มีไม่ไม่มีความอยากในลาบยศสารเสริญ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 อยากเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาตัดความตัดตัวตนขึ้นมาอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากเป็นอะไรนี้ไม่มีในใจของบ้าอะเพราะมันรู้ว่ามันเป็นทุกข์พออยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วไม่ได้เป็นมันทุกข์ไหมในเวลาเป็นแล้วเวลามันหมดไปมันทุกข์ไหมท่านก็รู้ท่านก็ละตัวตนทำตัวเป็น พาคิริวดีกว่าทำตัวเป็นขอทานดีกว่าสบายกว่านี่คือการหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เคยหาความสุขปลอมมาก่อนยี่ปีนีของชีวิตตอนต้นนี่หาความสุขปลอมมาจนวันหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็นของปลอมเพราะว่ามันจะต้องเสื่อม เวลาร่างกายแก่เจ็บตายความสุขปลอมเหล่านี้ก็หมดไป<ม>ก็เลยไปหาความสุขจริงหนีออกจากวังไปเพราะถ้าบอกให้ถ้าขออนุญาตก็คงจะไม่ได้ไปเพราะคนที่เขาหลงติดอยู่กับความสุขปลอมคิดว่าเป็นความสุขจริงกลับเห็นว่าการไปหาความสุขจริงไปหาความไปเป็นการไปหาความทุกข์กัน ไม่มีใครอยากจะหนีไปอยู่ในป่าไปบําเพ็ญไปรักษาศีลไปภาวนากันก็คิดว่าเป็นความทุกข์กันอยากจะอยู่ในบ้านในเมืองกันป่าเขาจึงไม่ค่อยมีคนอยู่กันในเมืองนี่คนแน่นน้นเลยยังกำลังมดเนะ่ ที่ไม่พอก็สร้างมันเป็นตึกสูงๆไปเลยอยู่กันตึกหนึ่งเป็นน้อยได้เป็นเหมือนรังพึ่งเพราะอยู่ในเมืองมันมีรูปเสียงกลิ่นรดให้เสพกันอยู่ในป่ามันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรดแต่คนที่ต้องการเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรถก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรดมันถึงจะเลิกได้ ถ้าอยากจะเลิกบุหรี่ไปอยู่ในป่าเนี่มันไม่มีบุหรี่ขายเดี๋ยวมันก็เลิกได้เองอยากจะเลิกสุราเนี่ไปอยู่ในป่าที่ไม่มีสุราขายอยู่ไปเดี๋ยวมันก็เลิกได้ไม่ยากมันอยู่ใกล้มันถึงเลิกไม่ได้แต่อยากจะเลิกกับแฟนไ่อยู่คนเดียวไปบวชอยู่ในป่าสักพักเดี๋ยวก็อยู่คนเดียวได้วิธีหาความสุขแท้ต้องอดทนต้องกล้ า, าหาญ ต้อเข้มแข็งแข็งที่ใจนี่แหละไม่ได้แข็งที่ไหนหล่ะถ้าใจอ่อนนี่สู้ความอยากไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้บวชได้ไม่กี่วันก็เสกกันแต่ไม่สมัยนี้บวชเป็นบวชกันแค่เช้าเช้าเย็นก็เสกกันแล้วสมัยก่อนก็ยังบวชกันพรรษาหนึ่งเดี๋ยวนี้พรรษาหนึ่งนี่บวชน้อยแล้ว บวชกันเดือนหนึ่งบ้างสองอาทิตย์บ้างเจ็ดวันบ้างไม่รู้เขาไม่เข้าใจความหมายของการบวชนะว่าบวชเพื่อละความอยากนี่กับคิดว่าบวชเพื่ อ, อเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็บวชไปแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการบวชนะถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องบวชเพื่อละความอยาก ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่สึกถ้าสึกก็สแสดงว่ายังมีความอยากอยู่ยังอยากหาลาบยศสารเสิริญหารูปเสียงกลิ่นลดอยู่ก็ต้องสึกออกมาถ้าทำใจให้สงบได้ถ้าฝืนความอยากได้ก็ไม่ต้องสึกการมาบวชนี่ก็มาทาใจให้สงบมาหยุดความอยากมาฝืนความอยาก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 เป็นของปลอมร้อเซซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็พังของมีของอะไรบั่งที่เราซื้อมาแล้วไม่พังกันซื้อรถมาใช้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็พังซื้อบ้านมาอยู่ไปไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็พังถ้าของแท้มันต้องไม่พังเข้าใจไหมถ้าของปลอมมันพังร่างกายนี้เดี๋ยวก็พัง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 เพราะยุติการไปหาความความสุขปลอมความสุขปลอมก็คือความทุกข์นี่เองเพอเวลาความสุขปลอมหายไปความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาเวลาแฟนจากกันเป็นไงสุขหรือทุกข์สุขก็เพราะว่าอยู่ด้วยกันมันทุกข์เวลาจากกันมันถึงสุขแต่ถ้าถ้าอยู่ด้วยกันสุขเวลาจากกันมันก็ทุกข์ นี่คือเรื่องของความสุขแท้สุขปลอมทรัพย์แท้ทัพปลอมถ้าถ้าไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายนี่เรียกว่ากำลังหาหาความสุขปลอมหาความหาทรัพย์ปลอมถ้ามาห า, าทานศีลภาวนาเนี่เรียกว่าเป็นการมาหาความสุขแท้ ทำทานไปทำบุญไปมีสมบัติเท่าไหร่ทำไปแล้วมันจะเป็นสมบัติท้ของเราขึ้นมาเอาติดตัวไปกับเราได้กลับมาเกิดชาติหน้าก็มีสมบัติร อ, อเราอยู่ถ้ายังไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดบุญที่เราเราทำไว้เงินที่เราให้คนอื่นเนี่ยมันจะกลับมาร อ, อเราอยู่กลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีสบายไม่ต้องไปหาเงินหาทองให้เหนื่อยอยาก ถ้าไม่ได้ทำบุญไว้ก็กลับมาเป็นรูปขอทานนะนะถ้าเราอยากจะได้ความสุขแท้อยากจะได้สมบัติแท้ก็ต้องมาหาที่วัดทนั้นที่วัดเป็นที่ขายสมบัติแท้นะมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนานะถ้าอยากจะได้สมบัติปลอมได้ความสุขปลอมก็ไปห า, าะลาภยศสารเสน ไปหาเงินทองกันไปหาตำแหน่งกันไปเป็นนายพลนายพันนายร้อยกันไปเป็นรัฐมนตรีเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีกันไปหาลูกเสียงกิ่นรดกันอันนี้เป็นการหาของปลอมถ้าอยากจะหาของจริงก็ต้องมาหาเนี่ยในพระพุทธศาสนาจะได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกิฎรคามี เป็นพระอน า, าคามีเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ของแท้เป็นแล้วไม่มีวันหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่พระหลันตาสาวกตอนนี้ท่านก็ยังเป็นพระหลันตัสาวกอยู่ถึงแม้ไม่มีร่างกายก็ไม่มีใครที่จะมาตรวจตำแหน่งของท่านได้ตามหลังนี้เป็นตำแหน่งถาวน หลพ่อพุทธเจ้าทาวรเป็นพระอรหันตสาวกที่ทาวรนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยังไงหมูนี่มาบ่อยขึ้นนะเดี๋ยมาเที่ยวบ่อยรึเปฮะม อ, อค่ะจะมืาทั้งสองอย่างเอาทั้งความสุขความเอาทั้งความสุขแท้มาเอาความสุขแทะ <laughs> เรามาเที่ยวด้วยแล้วก็มาวัดด้วยมีใครอยากจะถามอะไรไหมท่าครับเหมือนรู้สึกว่าเวลาล่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยครับเหมือนรู้สึกว่าดึงเอามาคิดมาจัดการกับความเจ็บไข้ได้ป่วยมันรู้สึกที่ได้รับค่อนข้างยากเหมือนที่ไหนที่จะทําให้แบบ ดึงมาปรับใช้ให้มันรู้สึกง่ายขึ้นว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของสังขารมนุษย์เป็นเรื่องปกติที่บุคคลทุกคนจะต้องเจอแต่ว่าเหมือนแว บ, บแรกที่มันเจ็บ้นมานมันดึงมาใช้ไม่ทันต้องป <u> ่อให้เวลาผ่านไปถึงจะพอคิดขึ้นได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติของการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เราไม่ฝึกไว้ก่อนไงไม่ซ้อมไว้ก่อนถ้าฝึกซ้อมไว้ก่อนมันก็จะทําได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ฝึกก็ต้องมาฝึกตอนที่มันเจ็บมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะทำใจได้เป็นท่านสอนให้เราฝึกไว้ก่อนฝึกทำใจไว้ก่อนให้ท่องอยู่เรื่อยๆก่อนมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาพอมันคอยเตือนใจคอยสอนใจพอเวลาเจ็บมันก็จะได้ทำใจได้ก็ต้องฝึกทำสมาธิด้วย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 พอถึงเวลาเราก็จะปล่อยได้ฝึกปล่อยฝึกซ้อมไว่ก่อน้องทำบ่อยๆต้องฝึกนั่งสมาธิทุกวันเพราะวิธีนั่งสมาธิจะทำให้เราปล่อยได้เหมือน ข, ขับรถเนี่ยคุณไม่ขับเลยว่าพอวันดีคืนดีจะเกิดเหตุภรรยาไม่สบายต้องขับรถไปส่งโรงพยาบาลจะขับไปได้ยังไง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 เมืคิดมันก็เหมือนพยศได้พยศแบบน้อยๆพยศแบบไม่รุนแรงพยศแบบดือ้อให้มันไม่คิดมันก็ดือ้อคิดไปเรื่อยๆแต่นายว่าเรายังควบคุมใจไม่ได้แต่ถ้าเรามีสตินี่เราจะควบคุมได้สติก็คือให้เราเราเลือกรู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้ไปคิดกับเรื่องราวต่างๆให้เรารู้อยู่กับพุทธโธก็ได้ ตื่นขึ้นมาก็พุทโทเลยต้องพุทโทไปมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆไม่ได้ถ้าจะคิดเรื่องจำเป็นก็หยุดพุทโทแต่ถ้าไม่จำเป็นถ้าจะคิดเพ้อฝันคิดเพ้อเจอ้ก็อย่าคิดอยู่กับพุทโทดีกว่าแล้วเวลามานั่งมันก็จะนิ่งจะสงบได้ ถ้าไม่มีพุโทโธเลยนี่พอมานั่งมันก็จะคิดไปนั่งนานเท่าไหร่มันก็ไม่สงบฉะนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนต้องหัดเจริญสติก่อ น, นจะใช้พุโทโธเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้คิดก็ได้โดยจะใช้การเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้ไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่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 หมอบอกจะฉีดยาให้ น, นีน่ยังไม่ทันฉีดเลย <c oughs> ใจไปก่อนละใจปวดไปก่อนละใจเจ็บไปก่อนละแต่ถ้ามีสมาธิใจก็เฉยฉีดก็ฉีดสลยหมอกาลังรออยู่นี่เห็นไหมนะฉีดก็แป๊บเดียวจึกเดียวก็เสร็จแล้วเหม็นเจ็บตรงไหนเลยความเจ็บส่วนใหญ่ที่ใจเพราะควบคุมใจให้เฉยไม่เป็นใจจะเครียดขึ้นมา เพราะมันกลัวความเจ็บมันไม่ชอบความเจ็บพอมันต้องเจอของที่มันไม่ชอบมันจะเครียดขึ้นมา <c oughs> <c oughs> เวลาเสียของที่รักไปมันก็เครียดขึ้นมาอีกแบบชอบก็ไม่ดีรักก็ไม่ดีเกรดก็ไม่ดีเกรดเวลาเจอมันก็เครียดขึ้นมารักเวลาเสียมันไปก็เสียใจทุกข์ใจแต่ถ้านั่งสมาธิทาใจให้เฉยได้จะไม่รักไม่เย็ย จะไม่รักไม่ชังกับอะไรรักแล้วก็ทุกชังแล้วก็ทุกเฉยดีกว่าเฉยแล้วไม่ทุกเวลาลักใครแล้วเสียเข้าไปก็ทุกเวลาเกลียดใครเพราะต้องอยู่กับเขาก็ทุกอีกงั้นมานั่งทำสมาธิเพื่อทำใจให้เป็นกลางไม่รักไม่ชังกับอะไร เข้าใจแล้วยัง <c oughs> ถ้าอยากจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไายได้ปวยก็มาหัดฝึกสติฝึกนั่งสมาธิกันแล้วฝึกใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาด้วยคือต้องปรองอย่าไปฝืนอย่าไปปฏิเสธเวลามันเจ็บไายอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันมันเจ็บ <c oughs> ก็ปล่อยมันไปให้มันเจ็บไปพอไปอยากให้มันหายมันก็ไม่หายอยู่ดี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 ว่าไงวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่300กว่าเกือบ380ค่ะเกือบร้0ยสาวันนี้เยอะหน่อยทำ น, นู้นเท่าไหร่ YouTube <30 5. S 1> 35ิบห้าสามสิาเข้าถึงเท่าไหร่เนี่ยแสนสามค่ะอ๋อวันนี้แสนสามันน ะ, ะเร็วนะอะมีคำถามมาหรือยังมีค่ะอะถามได้คำถามจากคุณพัชราแม้ขนาดที่เป็นมนุษย์ ใจก็เป็นกายทิพย์เป็นระดับไหนขึ้นกับว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าทำบุญก็ระดับมนุษย์บ้างเทพบ้างโทมบ้างหรือแม้แต่กายทิพย์ของพระอริยเจ้าหากมีปัญญาปล่อยวางได้หมดแต่ถ้าทำบาป ก, ก็มีกายทิพย์ของเลระฉานเปรดอสุรกายสันนลกบ้างไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นมนุษย์แล้วจะมีกายทิพย์เป็นมนุษย์ตลอดเวลาเปลี่ยนไปตามบุญตามกรรมที่กาลังทาอยู่ในปัจจุบันคาถามค่ะ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 เด็กชายพอโตขึ้นก็เป็นนายเด็กหญิงพอโตขึ้นก็เป็นนางสาวพอมีสามีก็เป็นนามอันนี้เป็นการเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนสมมุติแต่ตัวตัวจิตของจิตก็ยังเหมือนเดิมนี่ตัวจิตตัวใจตัววิญญาณก็คือตัวรู้ตัวคิดนี่เรียกว่าตัวจิตใจตอนนี้ไม่ตายตัวนี้เปลี่ยนไปตามบุญตามบา กาย่าเขาปั๊บนี่เป็นบาปขึ้นมาเป็นนรกขึ้นมาทันทีไปช่วยเหลือผู้อื่นกลายเป็นเทวดาขึ้นมาทันทีข้อที่สองถ้าเช่นนั้นสําคัญที่สุดคือณเวลาจิตทิ้งกายมนุษย์เรามีโอกาสที่จะไปบรรลุมัทถผลนิพพานได้พอๆกับการไปเกิดเป็นเดะชะฉานไม่ว่าเราจะปฏิบัติมาม า, มากน้อยหรือคะไม่หรอกก็เยอะ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 เป็นเปรตหรือเป็นเทวดาเป็นอริยเจ้าหรือเป็นผูุ้ชนมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่เฉพาะแค่เราทำว่ า, วาราสุดท้ายวาราสุดท้ายนี่มันเราทำไม่ได้มันต้องสะสมทาไปเรื่อยๆทําบุญไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆทำบาปไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแล้วบุญกับบาปมันจะมาคิดบัญชีกันบวกลบคูณหารกัน แล้วมันก็จะได้คำตอบว่าออได้ระดับนี้แล้วได้ระดับเทพแล้วได้ระดับพบแล้วได้ระดับอริยบุคคลแล้วหรือได้ระดับเดเดชาแล้วได้ระดับเปรตแล้วได้ระดับนรกแล้วมันอยู่ที่บุญบาปที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วบุญบาปเก่าที่เราทำว่ายังที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งผล บุญบาปที่เราทําในชาติก่อนๆที่ยังไม่ส่งผลมันก็ยังมีอยู่ในบัญชีบุญบาปของเราอยู่แล้วชาตินี้เราก็มาเติมเติมบัญชีบุญบาปขึ้นไปเองพอเวลาตายไปบุญบัญชีบุญกับบญบัญชีบุญกับบัญชีบาปมันก็จะมามาเป็นตัวแย่งจิตไปถ้าบัถ้าบาปมันมีมากกว่าบุญมันก็บาปก็จะดึงไปทางระบายถ้าบุญมีมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปทาง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 ตัวที่รับผลบุญผลบาปตัวที่จะดึงให้ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก็คือตัวความอยากนี่ะว่าไงตอมาคาถามจากผู้ฝักถามข้อที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิจิตนิ่งจะได้กลิ่นหอมทุกครั้งเป็นเพราะอะไรคะก็ไม่ต้องไปสนใจมันหอถ้าไม่รู้ก็อย่าไปสนใจมันให้รู้ความจริงก็พอให้รู้ว่ามีกลิ่นหอมก็แล้วกันอาจจะเรามีจมูกทิฟก็ได้มั้ง พอจิตสงบจิตก็เลยเปิดจมูกทิพขึ้นมามันก็เลยได้ได้กลิ่นกลิ่นที่เราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนข้อที่สองเดือนที่แล้วนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธดูลมหายใจเข้าออกจิตรวมรู้รู้สติตลอดตัวเราระเบิดเสียงดังแต่รู้ตัวไม่ตกใจต้องกลับมาดูลมหายใจไหมคะดูดูจิตก็ได้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 เวลาดูจิตโดยที่ไม่มีความสามารถที่จะทำมันเป็นอุเบกขาดูไปก็ดูแล้วทําอะไรไม่ได้เหมือนเวลาโกรธก็ทําให้มันหยุดไม่ได้ก็อย่าไปดูมันดูวิธีทําให้มันหยุดดีกว่าแล้วเราต้องมาฝึกดูวิธีที่ทําให้จิตมันหยุดจิตได้ก่อนแล้วค่อยไปดูจิตตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือที่จะไปหยุดจิตเครื่องมือที่จะเครื่องมือที่จะหยุดจิตก็คือสมาสติหรือสมาธินี่ ถ้ามีสติแล้วเวลาจิตพยศเราก็หยุดมันได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะหยุดมันไม่ได้เหมือนที่เมื่อกี้ถามว่าเวลาเจ็บแล้วมันพยศขึ้นมาทำยังไงดูจิตแล้วดูว่ามันพยศแต่ทำอะไรมันไม่ได้งั้นอย่าพึ่งไปดูตอนนี้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้มาดูวิธีที่จะทำให้หยุดจิตให้ได้ก่อนก็ให้ดูลมแทนดูพุโทโธแทน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 พอมีกำลังแล้วค่อยมาดูจิตอีกทีหนึง่งคำถามจาก Facebook Live ค, คำถามจากผู้แม่ประสงค์ออกนามดิฉันมีความปรารถนาอยากจะบวชชีแต่ดิดามันดาไม่อนุญาตจึงทำให้ท่านเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งดิฉันค่ายถามพระอาจารย์หากเป็นเช่นนี้ดิฉันจะบาปหรือไม่และยังมีโอกาสบรรลุธรรมไหมคะไม่บาปหรอกการที่เรา ทำความดีแล้วให้พ่อแม่เสียใจดีกว่าทําชั่วแล้วให้พ่อแม่เสียใจนีถ้าไปปีถ้าไปประพฤติผิดประเวณีไปแย่งสามีคนอื่นนี้แล้วทาให้พ่อแม่ดีใจแล้วกลับไปบวชชีแล้วทำให้พ่อแม่เสียใจไปบวชชีดีกว่าพ่อแม่เสียใจเดียว เ, เดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดีใจทีหลังว่าโอบวชชีมันดีนะดีกว่าไปแย่งสามีเขาแย่งสามีเขาเดี๋ยวไปถูกตบตีฆ่าคน ตายไปไม่ต้องไม่ต้องไปคํานึงถึงความรู้สึกของพ่อแม่หรอกถ้าเราทําความดีเพียงแต่เขายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองถ้าเขาเข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดีใจเองเหมือนพ่อของพระพุทธเจ้าเนยคิดดูคงจะเสียใจมากนะพอได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าหายไปเนี่ยออกจากวังไปเนี่ยพอฝากชีวิตจิตใ จ, จไว้กับพระพุทธเจ้าเลยอยากจะให้พระพุทธเจ้าสืบท อ, อดพระราชสมบัติเพราะอยากจะให้เป็นพระมหาจั ก, กรพรรด สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติแต่พอได้ข่าวว่าลูกหายไปนี่โอ้โหคิดดูแลีจะเสียใจขนาดไหนแต่พอหลังจากพระพุทธเจ้าตัดสรุแล้วกลับมาโปรดนี่กลับดีใจได้เห็นลูกกลับมาเป็นแล้วได้มาฟังเทศฟังธรรมเลยทำให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้ที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ งั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องความเสียหอกเสียใจถ้าเราไปทําความดีนะเดี๋ยวเขาก็หายถึงื่อเราตายไปก็เสียใจวันสองวันนั่นแหะเดี๋ยวเขาก็ลืมเราละใช่ไหมเคยมีเนี่ยญาติโยมบางคนเสียลูกไปมาร้องห่มร้องไห้อยู่หลายเดือนเดี๋ยวนี้หัวละกึกกักนะงั้นไม่ต้องไปกังวลถ้าก็จะเสียใจกับเรื่องของการไปทําความดีของเรานี้ ไม่สิไม่ไ ม, ไม่มีข้อเสียหายตรงไหนเข้าใจไหมการทำความดีไม่มีข้อเสียหายถ้าเขาจะเสียใจมันก็เรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็หายเองเดี๋ยวเขาก็ลืมนะไม่กี่วันเขาก็ลืมคาถามจากคุณธนาการผมอยากจะขอขอมาพ่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วจะทำอย่างไรบ้างท่านจะรับรู้ได้ไหมครับท่านจะรับรู้หรือไม่นี่ก็แล้วแต่ว่าท่านารอรอร อ, รอฟังเราหรือเปล่า การขอเข้ามาเราก็กราบท่านทุกคืนทุกเช้าก็ได้ก่อนนอนก็กราบแล้วก็ขอเข้ามาไปคําถามจากคุณชาโนนการปฏิบัติตามหลักบา ร, รมีทั้งสามสิบทัศกับการที่เราปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรไหมครับเหมือนกันเหมือนกันคําถามจากคุณบิวลี่ ผมซื้อชุดสังฆทานไปทําบุญที่วัดแต่ไปเจอชุดสังฆทานที่ทางวัดวัดได้เตรียมไว้เลยอยากทราบว่าหากเราซื้อชุดสังฆทานไปถวายกับพระที่วัดหรือเอาของที่วัดจะมีผลแตกต่างกันทางบุญหรือไม่ไม่ต่างหรอกคําถามจากคุณจีน่าการละมานะแบบที่เห็นเสมือนกันจะทําได้อย่างไรคะ การที่เห็นว่าเราเสมอกันเน่ะใช่ไหมละมานะอั่นทําไมการละมานะที่เห็นเสมอกันแปลว่าไงความหมายแปลว่าไงคือมานะนี่เป็นความเห็นที่มีอยู่สามเห็นว่าเขาสูงกว่าเราเห็นว่าเขาเท่าเราเห็นว่าเขาต่ํากว่าเราอันนี้เรียกว่ายังเรายังถือว่าเราสูงกว่าคนนั้นยังต่ำก่าคนนี้ยังเท่ากับคนนั้นอยู่ อันนี้เรียกว่าเป็นการถือตัวการถือตัวก็จะทำให้เรายึดติดกับตัวตนถ้าเราถือว่าเราสูงกว่าเขาแล้วก็มามาก้าวเล้าเราก็จะเสียใจใช่อย่างพ่อแม่เวลาลูกก้าวเล้าเนี่ก็จะเสียใจเพราะถือว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่เธอเธอเป็นลูกฉันเธอต้องเคารพฉันพอเธอก้าวเล้าพ่อแม่ก็เสียใจเน้น ท, ท, ท่านสอนว่าความจริงนี้มานะนี้มันเป็นของของปลอ ม, มความจริงนี่เราเหมือนกันหมดเราเท่ากันจิตใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันแต่ว่าเรามาสูงมาต่ำเพราะสมมติสมมุติทำให้เราสูงให้เราต่ำเรามาเกิดเพราะเป็นลูกพ่อแม่ก็สูงกว่าเราพอเรามีลูกลูกเขาลูกเขาก็ต่ำกว่าเรา พอมีเพื่อนเพื่อนกับเราก็เท่ากันอันนี้เป็นสมมุติที่เราใช้กันในการปฏิบัติเพื่อให้มันเหมาะสมเราให้รู้สมมุติแต่เราอย่าไปหลงสมมุติเกิดเวลาที่คนที่เขาต่ำกับเราเขาไม่เคารพเราเข้าก้าวร้าวเราเราจะอย่าไปเสียใจก็คิดว่ากํำลังเล่นละครกันรู้ไหมเรามาเล่นละครเราเป็นพ่อเขาเป็นลูกแต่นี้เขาบอกเขาไม่ยอมเล่นตามบทเขาจะเล่น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 คนที่เป็นลูกน้องเราบางทีก็มากินเหล้ากับเราพอกินเหล้าแล้วมันก็มากอดคอเราถือว่าเ ป, เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องของจิตใจที่มันไปทําไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาดังนั้นเราอย่าไปยึดติดว่ามันเป็นของแท้ของจริงองอะ อ, งอะไร ทำไมเลยเขาเขาจะมากราบวางใจอ่ากราบว่ากราบกราบตรงนั้นก็ได้ตรงไหนสะดวกก็กราบได้ไม่ต้องกราบตรงนี้ก็ได้ถ้ามาตรงนี้ไม่ได้ก็กราบตรงนั้นกราบมาถวายกราบพระพุทธเจ้ากราบตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปกราบที่อินเดียก็ได้เนี่นะเราอยู่ที่ไหนก็กราบได้ใชนไหมต้องมีพระต้องมีพระพุทธรูปหรือเปล่าทีนี้กราบได้ไม่มีก็กราบได้ใช่ไหม กราบที่ไหนก็กราบได้กราบพ่อกราบแม่กราบที่ไหนก็กราบได้กราบเพื่อให้เราคารวะให้เรามีความเคารพให้มีความกตัญญูถ้ากราบเพียงแต่สักแต่ว่ากราบก็กราบแล้วไม่กราบมันก็เท่ากันกราบแล้วก็ไปด่าพ่ออย่างนี้มันไปกราบเสียเวลาเปล่ากราบเพื่อเตือนใจแล้วว่าเขาสูงกว่าเราอันนี้เป็นการสอนให้เรารู้จักกฎของกฎกติกาของสมมุติของโลกสมมุติ เพานั้นคำว่ามาณะก็คือต้องรู้ว่ามันเป็นสมมุติแล้วอย่าไปยึดไปติดบางคนเป็นนายร้อยพอนายสิบบดาหน่อยก็โกรธเนี่ยก็อย่าไปถือว่าเขาเป็นนายสิบเขาถือว่าเขาอาจจะเป็นนายสิบชาตินี้เขาอาจจะเป็นนายพลชาติก่อนก็ได้ก็ยังติดนิสัยในายพลอยู่พอมาเจอเราเป็นนายสิบก็ยังด่าก็ไปเจอเป็นนายร้อยก็ยังมดาด่าเราองนี้ก็เหมือนคนบวชเนี่ยคนสมัยนี้เวลามาบวช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 นี่ในเป็นการบวชที่แท้จริงบวชเพื่อมาระอัตาตัวตนมามานะการถือตัวว่าถือว่าเราเป็นเจ้านายถือว่าเราเป็นเจ้าชายถือว่าเราเป็นอธิบดีถือว่าเราเป็นอะไรต่างๆในเรามาบวชนี่ท่านบอกให้ตัดทิ้งแม้หมดให้เหลือแต่ศูนย์เรามาบวชเป็นพระภิกษุศูนย์แต่ก็ยังขนาดเป็นศูนย์พ่อแม่ยังยังมากราบไหว้เลยคิดดูใช่ไหม พอมาบวชปั๊บนี่พ่อแม่ก็เคยลูกเคยกลาบพ่อแม่นี้กลับกันแล้วนี่พ่อแม่ต้องมากลาบลูกแล้เวลาลูกบวชแล้วเห็นพ่อแม่กลบาบแล้วต้นลูกสึกเคิลพ่อไม่เคยเห็นแต่พ่อกลาบบ่อยๆก็ติดต่อไปถ้าไม่กลาบก็โกรธพรอหลงยึดติดแล้วไงย่งอย่าลองอย่าไปลองยึดติดกับสถานภาพของเรากับคนของคนอื่น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 แต่ว่าไม่ได้บุญเลยก็ไม่ใช่ระหว่างนั่งกับไม่นั่งเลยคนที่นั่งได้ได้ได้บุญมากกว่าคนไม่ได้นั่งเป็นแต่ได้มากได้น้อยถ้าสงบมากก็ได้มากถ้าสงบน้อยก็ได้น้อยอย่างน้อยเวลานั่งมันก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เราเครียดขึ้นมาแต่อาจจะไม่สงบเพราะตอนสึกใหม่ๆ ม, มันก็ยังเป็นการเหมือนกับหัดเดินอยู่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 คำถามจากคุณต่อบพงพักข้อที่1เรื่องการนั่งสมาธิถ้าตอนนั่งความคิดยังไม่นิ่งแวบบไปแว บ, บมาถึงแม้ใช้คำภาวนาพุทโธบริเวณระหว่างคิว้วแต่ยังฟุง้งเราควรจะมีอุบายอย่างไรให้สงบขึ้นครับข้อที่1อย่าไปอยู่ที่ระหว่างคิว้วให้อยู่ที่คำว่าพุทโธนะไม่ต้องไปไปแปะมันไว้ตรงไหนให้อยู่กับคำพุทโธแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความคิดที่มันจะแทรกเข้ามา ให้เกาะติดไปกับพุโทโธเมือ น, นเวลาเราคุยโทรศัพท์แล้วคนนู้นจะเรียกเราไปพูดนู้นพูดนี้เราก็อยากไปสนใจแล้วก็พูดโทรศัพท์ของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเองเดี๋ยวเขาก็เลิกมายุ่งมารบกวนเราเองตอนต้นมันจะความคิดมันยังจะแทรกเข้ามาอยู่เพราะว่าสติเรายังไม่มีกําลังที่จะจดจ่ออยู่กับพุโทโธเพี ย, ง, ยงเดียวมันยังมันยังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยูอ่นั่นเราต้องพยายามดึงให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆ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 กล่าวตักเตือนพ่อหลายๆเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยเหมือนตัวเองว่าพ่อสิ่งนี้ที่ถูกทำถือว่าบาปไหมคะไม่บาปหรอกแต่เป็นการไม่ควรเป็นการเสียมารยาทเป็นการกระทําผิดฐานะพ่อแม่เป็นผู้ที่เขาเลี้ยงดูเรามาเขามีปัญญามากกว่าเราเราไม่ต้องไปเอาปัญญาไปสอนเขาหรอก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 ผู้เป็น ล, ลูกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนพ่อแม่เลยนอกจากพ่อแม่ขอคำปรึกษาเท่านั้นถึงจะบอกได้ถ้าพ่อแม่ถามว่าทำยังไองอย่างนู้อย่างนี้บอกได้ทำอย่างนี้ดีไม่ดีบอกได้แต่อยู่ดีๆไปบอกพ่ออันี้ไม่ดีพ่ออย่าทำนะอันนี้บอกไม่ได้ไม่ไม่ใช่ฐานะของลูกที่จะทำคำถามจากคุณแพทย์ คููบาอาจารย์มักสอนเสมอว่าเวลาใส่บาตรห้ามใส่เงินในบาตรพระแต่พระแถวบ้านเป็นวัดมหานิกายพระสงมักใจดีเวลามีญาติโยมใส่เงินลงในบาตรและมีพระบางลูกหักนาเงินใส่บาตรจะให้พรยาวหักใส่ข้าวหรืออาหารเท่านั้นจะไม่ค่อยให้พรค <c oughs> ำถามคือในฐานะโยมเมื่อใส่บาตรกับพระมหานิกายควรทาตามสมมติของมหานิกายหรือคะ ควรทําตามพระวินัยที่พทะเจ้าทรงบัญญัติไว้จะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นพระที่ไหนก็ตามก็คืออย่ามอบเงินให้กับพระกับมือก็แล้วกันถ้าอยากจะถวายเงินทองให้กับพระให้ไปฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาอันนี้เป็นกฎกติกาที่พระเจ้าทรงวางไว้ที่เขาจะมาเปลี่ยนกันทีหลังนี้มันไม่ใช่เป็นคำคำสั่งของพระเจ้าแล้วเปลี่ยนกันตามกิเลส ข, ของของคนที่อยากจะรับเงิน สมันี้ก็อ้างว่าเงินทองจําเป็นสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องใช้เงินทองมากเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ไปดีนหนังสือก็ต้องขึ้นรถเมลขึ้นแท็กซี่ตอนนี้สมัยนี้ต้องซื้ออซื้อโทรศัพท์มือถือซื้ออะไรก็ต้องใช้เงินซื้อก็เขาก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าก็คอยพูดไ ว, ว่าถ้าศีลข้อไหนเห็นว่ามันไม่จําเป็นต้องรักษาก็ยกเลิกได้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 ไปที่อยากจะจับเงินจับทองก็ไปเป็นมานิกายกันคำถามจากคุณลัดดาความสงบอาการเป็นแบบไหนคะต้องทําดูถึงจะรู้จะบอกยังไงเหมือนกับว่าสีเขียวเป็นยังไงถ้าไม่ลืมตามันจะรู้ไงใช่หไหมลืมตาดูด้ลืมตาก็จะเห็นว่าสีเขียวเป็นยังไงอธิบายสีเขียวให้เราฟังหน่อยด้วยยอมรับอธิบายสีเขียวมันเป็นยังไงมีคำอธิบายไหมนะ ความสงบมันเป็นไงก็เหมือนกันจะอธิบายไงเมื่อคนไม่เคยเห็นความสงบมันก็ต้องทำให้มันสงบสิต้องทำให้มันใจมันสงบแล้วมันก็จะเห็นเองถ้าจะเปรียบเทียบก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลามีพายุกับไม่มีพายุเป็นยังไงเวลามีพายุมันเป็นยังไงแล้วเวลาไม่มีพายุมันเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นแหละเวลาสงบก็เหมือนกับเวลาไม่มีพายุทุกอย่างนิ่งตัวอย่างสบาย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 เพจนี่เป็นกเผจธรรมะใช่ใครเปิดมาดูก็จะได้ดูธรรมะก็เป็นการเผยแผ่ศาสนาธรมสสนรมศาสตร์าสอนของพระพุทธเจ้าคำถามจากคุณกิตวันโยมบริจาคโลหิตมาตั้งนานหลายปีแล้วคุณแม่จะบ่นเสมอไม่ให้ไปบริจาคมาปีนี้แม่สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ไปโยมอยากแอบไปบริจาคจะบับฝืนคำสั่งแม่หรือเปล่าคะ ฝืนคำสั่งที่ไม่ดีไม่เป็นไรคำสั่งที่ไม่ดีนี่ควรจะฝืนถ้าแม่บอกให้ไปขโมยเงินนี่ต้องฝืนนะอย่าไปทำแต่แม่บอกว่าไม่ให้ทำบุญนี้ก็ต้องฝืนนะถ้าเราจะทำเพราะว่าการกระทำที่ดีมันไม่มีเสียหายไม่มมีโทษกับใครคําถามจากคุณปรุงจินผมนั่งสมาธิแล้วจิตจะดิ่งลงไปเหมือนลงเหวแต่ได้กลับมัน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 เมื่อนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจแล้วรู้สึกหายใจเข้าออกยากตื้อๆเหมือนจะไม่หายใจทำอย่างไรคะถ้าไม่ถูกกำหนดลมก็ใช้พุโทโธไปท้องพุโทโธพุโทโธไปแทนแทนที่จะอยู่กับลมอาพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่าเอาทั้งสองอย่างไม่ต้องพุทเข้าโรออกม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 ถ้าแยกกันก่อนตายก็สแสดงว่าไม่มีสัจจะหมดแล้วใช่ไหมคาว่าคํายึดมั่นถือมั่นนี้มันไม่ได้หมายคำว่าจะต้องออคําว่ายึดมั่นถือมั่นนี้หมายถึงให้ยึดในเรื่องที่มันไม่ดีไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นคือ ย, ยึดกับของที่ไม่ใช่เป็นของเราองนี้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 การเที่ยวเป็นสรณะอยาไปยึดการดื่มสุราเป็นสระณะพอพวกนี้คนอย่าไปยึดยึดแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจมันทำให้เราเป็นทุกข์ให้ยึดกับสิ่งที่ทำให้ใจเราเป็นสุขยึดกับการมีสัจจะยึดกับการมีศีละธรรมอันนี้จะทำให้เรามีความสุขเวลาเรารักษาศีลได้เวลาเรารักษาสัจจะได้มีเข้ามา่ใช่ไหมเข้ามาต่อ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 อย่างอาตมาเนี่ยรู้จักยายคนหนึ่งนี่อายุเกสบแปดแล้วมั้งแกใส่บาตรมาตั้งแต่เรามาอยู่วัดญาณอนะ่ะสาสิกว่าปีแล้วแกใส่บาตรทุกวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราเชื่อได้ว่าแกตายไปเนี่ยแกไม่ต้องมาขอรับบุญของใครแล้วแกทํำงงแกอยู่ทุกวันใส่บาตรทุกวันตายตั้งแต่ปีสองเจ็ดนนี่ห้าเก้าอะไรสาสิบสองปีแล้ว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 ติดอยู่ตรงนั้นมันจะไปไม่ได้าการปฏิบัติต้องมีอาจารย์แต่ไม่ใช่มีอาจารย์มานั่งคุมเวลานั่งสมาธิางั้นเวลาอยู่บ้านก็นั่งไม่ได้เลยต้องต้องไปนิมนต์อาจารย์มานั่งด้วยแล้วอาจารย์มีคนเดียวลูกศิษย์มีเป็นร้อ ย, อยจะไปนั่งบ้านไหนดีเดี๋ยวไปนั่งบ้านนี้เขาก็หาว่าเลือกที่รักมากที่ชังองีกไม่หรอกเวลานั่งสมาธินี้คนจะนั่งคนเดียว แล้มีนั่งคนเดียวมันจะได้ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจนั่งด้วยกันเดี๋ยวก็เกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้คนนั้นก็เดี๋ยวก็อายเดี๋ยวคนนี้ก็ขยับเดี๋ยวมันก็จะมารบกวนกันวิธีนั่งสมาธิจริงๆต้องนั่งคนเดียวครับแต่บอกให้ไปปีกวิเวกกายต้องวิเวกคือกายต้องสงบสงัดไม่มีอะไรมารบกวนร่างกายท้งร่างกายแล้วใจจะได้สงบได้ง่าย นเวลานั่งสมาธิจริงๆนี้ต้องไม่มีใครมานั่งด้วยนั่งคนเดียวพระพุทธเจ้าตัดสรุ่นี่มีอาจารย์มานั่งเฝ้าหรือเปล่าไม่มีฮะต่างคนต่างนั่งตอนที่ไม่ตัดสรุ่มีปัญจาวัคคีมานั่งเฝ้าอยู่ท่านเลยไม่ตัดสลุ่นพอปัญจาวัคคีทิ้งไปปั๊บท่านก็เลยไม่ต้องมากังวลกับปัญจวัคคีไม่ต้องมากั ง, วล ก, า ว, า ง, กงวลกับกองกองเชียเข้าใจไหมบางทีคนเล่นนี่มามาตกม้าตายเพราะกองเชียเนี่ย เขาเห็นเข้ามาเชียร์แล้วก็เลยเครียดใช่อยากจะอยากจะทำให้ดีมันก็เลยทำทำไม่ได้เอพอไม่มีกองเชียร์มันก็เลยเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำไปของเราไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวกองเชียร์เขาจะผิดหวังหรือไม่ผิดหวังเนเวลาปฏิบัติจริงๆต้องต้องเปียกวิเวกต้องทำคนเดียว เ, เวลามารวมกันก็เฉพาะเวลามาฟังเทศฟังธรรมหรือมาทากิจกรรม เป็นรับประทานอาหารหรืออะไรเช่นนั้นเราถึงมารวมกันแต่เวลาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมนี่ต้องแยกกันทําอย่าไปทําพร้อมกันทําพร้อมกันมันไม่ค่อยได้ผลแต่สําหรับคนที่ใหม่ๆยังไม่รู้จักวิธีนั่งวิธีเดินก็อาจจะมามาเรียนพร้อมกันได้แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆควรจะแยกกันหมดแล้วยังอีกสองคำถามอ่าได้คําถามจากซูบูเนอร์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 บุญนิวทิศได้เหมือนกัน ท, ที่ให้เลือกเนื้อนาบุญนี่เพื่อจะได้ธรรมะของแถมนอกจากได้บุญแล้วได้ของแถมด้วยวันนี้โยมาทำบุญแลยังได้ธรรมะกลับไปถ้าไปทำบุญกับหมามันก็ไดแต่เสียงเหา่าๆห้องๆก อ, อ, อบใจทำมุญกับพระพระก็เหา่าธรรมะให้ฟังก็ได้ธรรมะกลับไปถ้าอยากจะได้ธรรมะก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญเพราะเนื้อนาบุญอยู่ที่พระ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 ไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด